อนโมทนานะวันแรกก็ตั้งใจมาฟังธรรมแล้วมีแสดงว่าเป็นสาวกสาวกชั้นแนวหน้าสาวกชั้นแนวหน้าคือยังไงมีการฟังธรรมที่ไหนมีการปฏิบัติธรรมที่ไหนพอมีโอกาสที่จะไปได้ก็ไปฟังแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติธรรมเราก็รู้แล้วคือปฏิบัติจิตรูปแบบภายนอกก็เป็นเพียงเพื่อ สื่อเข้าไปหาจิตของเราเพื่อให้สติของเรามารักษาจิตเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีการสำมรวมจิตสำมรวมจิตอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมอยู่ในท่าทางไหนอยู่ในอิริยบทไหนเราก็ปฏิบัติธรรมถือว่าปฏิบัติธรรมทุกกิริยาบททุกเวลาทุกโอกาส พยายามสัมรวมจิตเอาไว้ใครมีสติรักษาจิตเนี่ยแสดงว่าไม่ประมาทถ้าปล่อยจิตให้มันไหลเพลินไปกับอารมณ์ข้างนอกอันนี้แหละเรียกว่าประมาทแล้วเดินจงกรมอยู่แต่ว่าเดินคิดปล่อยจิตให้ไหลออกไปปล่อยคว้าเอาอารมณ์ทั้งหลายเข้ามากลุ้มลุมจิตการเดินจงกรมก็เป็นแค่ท่าทางแต่ว่าจิตของเรา กลับไปเอาเรื่องราวที่มันเป็นอันตรายต่อจิตใจมารบกวนจิตตัวเองนั่งสมาธิอยู่ปล่อยให้นิวรนครอบงำเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ซึมเดี๋ยวก็หลับหรือว่าเดี๋ยวก็เพลินคิดนุกไปเราต้องพยายามขัดจัดนิวรนออกไปพยายามมีสติเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพยายามให้เรามีสติ แล้วก็รักษาจิตเราได้เมื่อรักษาจิตแล้วก็ต้องรู้ต่อไปอีกจะต้องให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแต่สมาธิที่มันไปนิ่งไปแช่อยู่เนี่ยมันก็เสียเวลามันกันแต่ถ้าใหม่ๆอยู่นี่มันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นธรรมดาจิตมันก็ต้องการที่จะพักผ่อนต้องการความสงบเหมือนคนจะทางานก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอน มีการรับประทานอาหารมีการพักผ่อนหลับนอนเตรียมร่างกายให้มีกำลังแต่จิตใจต้องการสมาธิเพื่อให้จิตมีกำลังกำลังของจิตก็คือการที่จิตของเราไม่ไหลออกไปถ้าจิตของใครไหลออกไปเนี่ยพลังของจิตเนี่ยมันจะออกไปกับความคิดออกไปกับความฟุ้งซ่านเยอะมากสูญเสียพลังกายสูญเสียพลังจิต เราจะต้องพยายามสัมรวมจิตแล้วก็ทําจิตให้แน่วแน่ถ้าทําจิตให้แน่วแน่อยู่กับจิตได้พลังก็จะกลับคืนมาการที่จิตอยู่ในสมาธิมันก็มีกําลังเป็นบาตฐานของวิปัสสนาต่อไปฝึกสมาธิให้ตั้งมัน่นให้แน่วแน่เพื่อไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่ถลําไปกับเรื่องราวทั้งหลายในโลกจิตของเราก็มั่นคงขึ้นมา ทีนถ้าหาว่ามันเป็นสมาธิแต่ว่ามันแช่อยู่นานแล้วก็ยังแช่อยู่ยิ่งไปนิ่งเงียบตะลนอยู่ข้างในไม่สามารถที่จะเห็นพะระไตรลักษณ์ได้ไม่สามารถมีปัญญาได้เพราะตัวสมาธิมันครอบจิตเอาไว้สมาธิมันมากมันเกินพอมันเกินแล้วมันก็เลยครอบนาจิตเอาไว้ ค, คิดอะไรก็ไม่ออกเอาไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรก็ไม่ได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าติดสมาธิละเนี่ยสมาธิอันนั้นจะทําให้นอนชาละนี่ตอนที่เข้าวรรษาเนี่ยเขาก็มีคนไปปฏิบัตินะมีคนนึงเขาก็หลบไปปฏิบัติอยู่ที่นู่นมันมีที่หนึ่งมันไ ก, ก, กลๆหน่อยเขาเรียกว่าตาน้ําตาน้ําอ่ะแกก็ไปอยู่คนเดียวที่ตาน้ําเป็นผู้หญิงนะแกก็เก่งนะแกมาแล้วแกก็ ไปสำรวจดูแล้วก็ก็ไปเลย <Okay. S 1> ความกลัวอะไรก็ไม่มีอ่ะแต่ว่ามีวันหนึ่งฝนมันตกมีคนที่เขารู้จักกันเขาไปอยู่ทาาดินฟ้ามันผ่าปเปยังลงบริเวณที่ตาน้าอ่ะอเพื่อนที่อยู่ท่าดินเนี่ยเขาได้ยินเสียงฟ้าผ่าพอฝนหยุดแล้วเขาก็เป็นห่วงว่าเออคนที่อยู่เพื่อนที่อยู่ท่าน้าจะเป็นยังไงมะก็รีบไปดูไปดูก็ เห็นกิ่งไม้เพื่อนก็ยังนั่งสมาธิอยู่ะเห็นกิ่งไม้หักล่วงลงมาอยู่ใกล้ๆก็เลยถามเพื่อนที่เขาอยู่ตรงนั้นว่าเออไม่ได้ยินเสียงผ้าผ่าเลยนะเขาบอกเขาไม่ได้ยินอะ่ะเอาแล้วเธอทําอะไรอยู่อก็นั่งสมาธิอะ่ะนั่งสมาธิเหรอข้างในตื่นอยู่หรือเปล่าตื่นอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงผ้าผ่าแล้วกิ่งไม้หักได้ยินไหมไม่ได้ยินเขาก็รีบมารายงาน คนนั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขานั่งสมาธิแล้วจิตของเขาเข้าไปอยู่ข้างในไม่รู้เรื่องรู้ราวข้างนอกเขาไม่เคยรู้ตัวเลยเขาเล่นมาอย่างนั้นไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มฝึกมาเขาบอกเขาอยู่อย่างนั้นแหละเขาคิดว่าเขาก็ฝูกทางแล้วเขาก็เลยสงสัยมาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรก็เลยอธิบายให้เขาฟังมาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า เรื่องสถานที่อะไรจาไม่ได้แต่จําเหตุการณ์ได้นะเนื้อหาของธรรมะเนี่ยเราจะจําได้แต่ว่าสถานที่การเรียนรอะไรบางทีมันนานเข้ามันก็เลือนไปคือเราไม่ได้ตามไปศึกษาตามไปอะไรเนี้ยเราเอาเฉพาะเนื้อหาที่มันเป็นธรรมะคนนี้เขาเลื่อนสายอาราละดาบทอาราลดาบที่นี้ก็เป็นอาจารย์สอนเรื่องสมาธิของพระพุทธเจ้าคนนี้เขาได้ฌานสมบัติ นะระดับหนึ่งเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งอาจารย์เขาเนี่ยนั่งอยู่ริมแม่น้ําตรงนั้นก็เป็นทางผ่านมีเกวียนผ่านไปห้าร้อยเล่มเสียงเกวียนเสียงวัวเสียงคนกระทึกกระทุ่มอาจารย์นั่งสมาธิอยู่ชุนอะไรก็ปึงวั่นลูกศิษย์ก็เข้าไปนะอาจารย์หลังจากที่เกวียนผ่านไปแล้วท่านอาจารย์ครับเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปไนี้ท่านอาจารย์ รู้สึกตัวไหมครับไม่รู้สึกถ้ามีอะไรเลยทันวะและฝุ่นที่ติดผ้านี่ใช่ฝุ่นจากทางนั้นไหมครับคิดว่าเป็นฝุ่นจาก500เกนห้าร้อยเล่นนั้นไหมครับใช่แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเขาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าเขาศรัทธาอาจารย์เขามากเขาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องของพระองค์ว่ามีครั้งหนึ่ง พระ อ, องค์ก็นั่งสมาธิอยู่ในบริเวณทุ่งนาใกล้ๆกระถ่อมของพวกชาวนาะอะไรอย่างเงี้ยฝนตกฟ้าก็ผ่าปืนลงมาคนสองคนตายวัวสี่ตัวตายคนเขาก็แห่มามาดูคนตายมาดูวัวตายเต็ไมไปหมดเลยก็คือมาว่าจะทำยังไงกันละ่ะเพราะว่าฟ้าผ่ามีคนตาย พระพุทธเจ้าออกจากสมาธิก็เดินมาตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเอา้าท่านไม่รู้เลยว่ามีฟ้าผ่าคนตายสองคนบัวตายสี่ตัวไม่รู้เลยแล้วท่านอยู่ตรงไหนอันเนี้ยนั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆเนี่ยแล้วพระเจ้าก็เลยถามว่าระหว่างบัวเรือนห้าร้อยเล่มกับฟ้าผ่าอันไหนมันยากกว่ากันอันไหนมันเสียงมันดังกว่ากัน เขาก็เลยบอกว่าเสียงฟ้าผ่าต้องดังกว่าอาจจักระทั่งคนตายสองคนวัวตายสี่ตัวเขาก็เลยหันมาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่สมาธิลึกซึ้งกว่าอันนี้พูดถึงเน่ยมุมของสมถกรรมฐานไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ว่าถ้ามันไปแช่อยู่อย่างนั้นไปนิ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ความสงบได้สมถะมีความสุขความสบาย ตบใดที่กําลังของสมาธิยังอยู่แต่เมื่อคลายออกมาแล้วกระทบอารมณ์บางทีจิตมันก็ยิ่งฟุง้งซ่านความโกรธก็รุนแรงที่ติมณนะก็แรงก็ได้เพราะมันไม่มีปัญญาอะไรเลยก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยที่เขาเป็นนะคืออย่างนี้เขาก็ถามว่าแล้วยานคืออะไรอันนี้เรียกอะไรก็บอกว่าที่เรียกว่าฌานฌานยังมีลูกฌานอัลลูปฌาน รูปฌานก็มีสี่อย่างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและก็อรูปฌานอีกสอากาสารมัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะและอะไรที่มันไปบอกว่ามันเป็นฌานก็คือคุณสมบัติภายในจิตคุณสมบัติตัวที่เป็นสมาธินั่นเองถ้ามีวิตก วิจารณวิตกหมายความว่ามีอารมณ์พับขึ้นมาสติคมจิตพับดูอารมณ์นั้นแล้วก็พยายามที่จะให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นเช่นดูลมพับก็พยายามที่จะไม่ให้หยิตไปไหนให้อยู่กับลมนั้นนะหรือก็ไปอยู่กับคําบริกรรมก็พยายามให้จิตอยู่คําบริกรรมนั้นครั้งแรกที่จิตพับไปดูลมหรือไปบริกรรมนี่เขาเรียกวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ ปะเขประคองจิตให้แวดล้อมให้อยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปไหนนี่เขาเรียกวิาวจารณจนกระทั่งจิตมีปิติขึ้นมามันจะละลมละคำบริกรรมเข้ามาอยู่กับความอิ่มเปิดในจิตใจอิ่มใจหรือความอิ่มใจมันทำให้ร้านไปตามร่างกายมันย่มมาดูปิติเพราะนั้นที่เหลืออยู่ก็เป็นปิติมาดูปิติพอปิติมันนานเข้ามันก็ละเอียดเข้าไปกลายเป็นความสุข ต่อมาละความสุขได้ก็เป็นหนึ่งจิตเป็นเบขาแล้วก็เป็นเอกคตารมนับตั้งแต่วิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตานี้คือองค์ของปฐมฌานพอเริ่มต้นก็ต้องดูลมดูลมแล้วก็พยายามให้จิตอยู่กับลมลริ่มต้นโดยบริกรรมให้จิตอยู่คำโบริกรรมมีปิติดูปิติละเอียดเข้าไปดูสุขจนกระทั่งเอกคตา ต่อมาฝึกไปฝึกไปคราวนี้จิตมันเริ่มละอารมณ์หยาบๆแล้วไม่เอาละลมเริมผ่านไปเลยคําบริกรรมก็ใหม่ต่อรับ ด, ดูปิติสุขมาก็ดูสุขแล้วก็แน่วแ น, วแนว่ขึ้นมาอนุทุติยฌานพอจิตละเอียดเข้ามาแล้วต่อมาละเอียดเข้าไปพีป่ตรงพี่ตีมไม่เอาไม่สนใจเพราะมันยังหยาบอยู่มันยังมีผลต่อร่างกายร่างกายยังทราบมันยังทราบทราบาไปตามร่างกาย ไปดูสุขเลยแล้วก็เอกคตาถ้ามันมาดูสุขกับเอกคตารลมหมายว่าจิตเป็นหนึ่งสุขแล้วก็ไปสู่เอกคตารลมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่า ต, ตัทยชาญเป็นชาญที่สอันนี้ยังดูรูปอยู่เฉ่นดูลมบ้างดูกายคตาสติบ้างอันนี้เขาก็เลยอาศัยมันอาศัยรูปเพื่อเข้าสู่สมาธิเขาจึงเรียกว่าลูกประชานต่อมานี่ พอละเอียดเข้าไปอีกจิตราบเรียบเป็นอุเบขาเป็นหนึ่งอุเบขาแล้วก็เป็นหนึ่ ง, านนงวางสุขวางทุกหมดแล้วอนนีุจตุตาชานต่อมาอีกคือพอจิตมันมันเป็นกลางแล้วมีจิตเป็นหนึ่งคืออารมณ์ของสมถ า, านี้ตัวที่บอกไม่รู้เป็นสมถ า, าก็คืออารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเอกคตารม์เพราะฉะนั้นตัวสมาธิหรือตัวสมถามี้เขาจริงเรียกว่ามันต้องมีอารมณ์เดียว จิตเป อ, อยู่กาบอารมณ์ใดอหนึ่งเป็นเวลานานๆถ้าเป็นคณิกะสมาธิก็อยู่นานนิดหนึ่งมันไม่เคยอยู่เลยมันจอยู่สักห้านาทีหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาที20่นาทีอุปจรารสมาธิสมาธิขัน้นกลางๆก็อาจจะอยู่สักครึ่งชั่วโมงสี่ห้านาทีชั่วโมงหนึ่งต่อมาก็เข้าสู่อั ป, ปนาสมาธิคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌาน จเจอห็นว่าสมาธินี่มันจะมีกําลังมันจะครอบงำจิตตลอดไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะกําลังสติไม่พอถ้าใครที่ฝึกพอจิตเป็นสมาธิไปไม่มีแล้ะคอยดูแต่มันคลายออกมาละพอมันคลายออมาแล้วก็เริ่มดูตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตมีแล้ววิจารณากายละหรือวิทยานาขันห้าละเพราะให้จิตไม่มีกําลังมนสติไม่มีกําลังบุริยะมีกําลัง ปญญามีกำลังแล้วสมาธิจะค่อยๆเข้าไปไม่ไม่บูบ่าไม่ปุ๊บเข้าไปยืดไม่เข้าไปแช่มันจะเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของสติมันก็จะเป็นสมาธิที่ทําให้จิตตื่นได้จิตก็จะตื่นรู้ด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรเกิดขึ้นรู้และจิตไม่ถลําเข้าไปและจิตก็ไม่เข้าไปพักแบบชนิดที่ไม่รู้อย่างรู้เล่าเพรา ะ, ะนั้นจิตตั้งมั่นมีไหมคำว่าจิตแน่วแน่เป็นกลางแน่วแน่ ไม่ได้ไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ไปนิ่งแช่อยู่เฉยเฉยไม่ทำการทำงานอะไรมันจึงเดินทางสายกลางจิตเป็นกลางกลางอะไรคือรู้หมดที่ถูกต้องต้องรู้หมดถ้ายังม่รู้ก็แสดงกำลังมันยังน้อยอยู่หรือมันเผลนหลุดไปบ้างอะไรบ้างมีแสดงว่ากำลังสติยังอ่อนอยู่สมาธิขั้นไหนก็ตามหลังจากที่พักแล้ว ถ้าสามารถเอามาดูตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมได้อันนี้เขาเรียกจเจริญสติปัฏฐานสเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกขั้นตอนก็จะต้องมาจเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อที่จะให้เห็นพระไตรลักษณ์การเห็นพระไตรลักษณ์คือเห็นความเกิดดับของปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเมื่อรูปหรือนามการเห็นพระไตรลักษณ์นี้เขาเรียกว่าเป็นวิพพานาญาณ ยานหรือปัญญาที่เห็นความจริงชัดแจ้งเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตก็จะค่อยๆ ค, คลายออกคลายออกคลายออกเพราะนั้นสมาธิขั้นไหนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายต้องมาให้เห็นพระไตรลักถ้าหาว่าใครจเจริญสติด้วยการตามดูกายเวทนาจิตต่มไปเรื่อยๆมันจะค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบเข้าไป เป็นสมาธิตั้งมั่นสุดท้ายลึกขนาดไหนก็สามารถเห็นพระไตรลักษณ์ได้มันจะต่างจากสมาธิที่ไปนิ่งไปแช่ไปจมเติมแต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเป็นการพักจิตพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็หลบเข้าไปอยู่ในตาองค์เดียวเพื่อที่จะอยู่ในสมาธิขั้นลึกสุดก็คือสัญญาเวทนินยตรคือดับสัญญาดับเวทนาก็คือดับจิตนั่นแหละ เพื่อพักขั้ลึกสุดเลยฌานที่สี่เจตุชานเนี่ยลูกประชานเนี่ยออารมประชานก็คืออารมณ์ที่เป็นอารูณไม่ใช่ลูกส่วนเตือนเนื้อหาก็อันเดียวกันกับเจตุชานคือเบขาจิตนเนื้อเนื่อยู่อากาสาณจายตนะก็คือการที่เพ่งช่องว่างในตัวเราเพ่งความว่างในตัวเรามันจะมีความว่างมีช่องว่างเพ่งความว่าง จนกระทั่งความว่างรู้สึกว่าความว่างไม่มีประมาณใช้ความว่างเป็นอารมณ์ตัวความว่างจิตกันวแน่เป็นหนึ่งหรว่าอารมปเพ่งอารูุปไม่ได้เพ่งรูปต่อมาอในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้น่ะผู้นี้ก็เดินขึ้นมาเกิดขึ้นมาเขาก็เพ่งตามเพ่งพู้รู้ผู้รู้นี้เขาเรียกวิญญาณดูวิญญาณจดจ่ออยู่กับวิญญาณวิญญาณไม่มีประมาณ เมื่อเขาเรียกว่าวิญญาณนันจายตนะดูไปวิญญาณก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยดูไปดูไปเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอากินจัญญายตนะแต่ไม่ได้เห็นความเกิดดาบอะไรเลยนะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่รู้สึกว่าไม่มีเพ่งความไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเพ่งความไม่มีเป็นอารมณ์ของสมาธเรีอกอากินจัญญายตนะ จากนั้นจิตเ ข, ข้าไปยึกเข้าไปว่าวับแบมแบมจว่าสัญญาก็ใช่เจะว่าไม่ใช่สัญญาก็ใช่มันทําอะไรไม่ได้เลยเห็นแต่ความเข้าไปลึกๆกัวบวบแบมอยู่ข้างในว่าวับแบมแบเขาจึง่อเรื่องนี้ว่าสัญญาณาสัญญาญาตนะสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของสมรดากรรมฐานแต่ทุกฌานถ้าสามารถเห็นพัตไตรลักณ์ได้ จิตก็จะคายออกเหมือนกันหมดปล่อยวางเหมือนกันหมดแต่ทีนี้เวลาจิตเข้าฌานอ่ะคนทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่พอตั้เข้าสมาธิมันลึกเนี่ยมันจะจมมันจะนิ่งมันจะแช่มันทําอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏานทั้งสี่นี่นก็เลยมีสองแนวทางอันหนึ่งก็คือเจริญสติไปเป็นที่เลยเจริญสติจนกระทั่ง สติมันมีกำลังละคมจิตได้ค่อยๆเป็นสมาธิลงไปมีสมาธิอะไรเกิดขึ้นก็สามารถตามดูความเกิดดับได้เขาจึงเลือกวิธีนี้ว่าวิปัสสนามนาสมาธาิอีกอันหนึ่งก็คือจิตที่มันลงไปพักนี่ละแต่ว่าพอมันคลายออกจากสมาธิแล้วก็มาตามดูปรากฏการทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปเรียกว่าจเจริญสติประธานสี่ทีหลัง พอสตินี้กําลังเมื่อไหร่เวลาจิตมันเข้าสู่สมาธิมันก็เป็นสมาธิที่เป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ด้วยรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องน้อยก็เริ่มรู้ตัวก่อนรู้ตัวเห็นกายก็เห็นเวทนาเห็นจิตดูจิตก็เห็นกายเห็นเวทนาหรือดูกายก็มีผู้รู้นะถ้ามันมีกําลังขึ้นมามันจะเริ่มรู้ตัวมากขึ้น เพราะฉะนั้นในธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์สอนเนี่ยมักจะเน้นสติซะก่อนเหมือนครั้งหนึ่งที่คณ ก, กาโมคลานะเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดบุพารามพรามณ์คนนี้เขาเป็นนักคํานวณเขาก็ไปถึงเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนยังไงแต่เขาเป็นนักคํานวณเขาก็เริ่มต้นว่าตามธรรมดาทำอะไรเนี่ยก็ต้องทําตามลําดับเช่นศาลาหลังนี้ ก็ต้องเริ่มปรับพื้นตอกเสาเข็มทำตอหม้อแล้วก็ตั้งเสาตั้งโคง้งมืงหลังคาเทพืนแล้วก็เตรียมทำประตูทำหน้าต่างทำฝ้าเพดานก็ว่าไปตามลําดับเมื่อข้าพเจ้าสอนลูกศิษย์ให้นับก็นับตามลําดับศ123456พระองค์พอจะลําดับการสอนของพระองค์ได้ไหมพระเจ้าข้าเมื่อเราก็สอนตามลําดับท่านเจ้าบอก ตามุกติคมฝุกมา้าอวงก็เริ่มด้วยสัตว์อะไรก่อนสิ่งมีชีวิตก็ต้องหัดจูงม้าให้คุ้นเคยซะก่อนต่อมาก็เอาอะไรไปวางบนหลังมันให้มันคุ้นเคยกับสิ่งของบนหลังต่อมาก็เอาอไไปนั่งจูงไปก่อนต่อมาก็หัดให้มันคิ่งขอมาปบัมัน้มั้นิบหลัตากเราจะสอนให้รักษาศีลคะกสิ่อนลังววต่อาองมีศใน้วยนะ เพราะว่าถ้าหาว่าไม่มีศีลเนี่ยมันเปนล่วงละเมิดทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมาปั๊บมันจะลบกวนจิตตัวเองจิตก็จะไม่เป็นสมาธิผลทุกขั้นตอนการปฏิบัติธรรมทุกแนวจะต้องมีศีลปฏิเสธศีลไม่ได้ศีลละวาดต้องมีศีลศีลก็ตามฐานะของเราคารวะกับศีลห้าสูงขึ้นมาอีกหนก็ศีลแดได้อาสาบเีนเก็ศีลสิบพระสงฆ์ ก็สินสองรยี่สิทำให้สำรวมระวังมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตได้ดีทำให้จิตเป็นสมาธิได้เมื่อมีสินแล้วก็สอนต่อไปอีกภูจาบอกอันขั้นที่สองให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอารมณ์ต้องเอาเวลากระทบอารมณ์เลยนะไม่ใช่เวลานั่งสมาธิสงบ นิ่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยว่างเปล่าสงสัยจะ บ, บรรลุแล้วมั้งคือเสนอไปเลยไม่ได้ต้องมาตรวจสอบตอนมันกระทบอารมณ์ตอนเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงมีคนมาแนะนำแล้วเป็นยังไงเวลารับประทานอาหารตาไปเหนานาน็นอาหารใจเป็นยังไงมันมีความอยากความต้องการเกินความจำเป็นไหมหรือมันเอามากเอาน้อยจนลืมคิดถึงคนข้างหลังไหม นี่ก็คือตรวจสอบเวลามันกระทบอารมณ์หรือมีเสียงคนตำหนิตีเตียนเป็นยังไงจิตเราได้ยินเขามาเล่าว่าเนี่ยอคนนั้นน่ะเพราะว่าเธอเอื้อนไขมันเยอะทั้งเรื่องที่ไขมันเยอะจริงๆโอโมโไอ้นี่ไม่รู้ว่าใครเนี่ยพูดไปตามเนื้นอหายิเฉยมีไหมเนยเนี่ยอันนี้นนตรวจสอบหมดเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตถ้าหาว่าเราสามารถ ระวังจิตล้วได้โดยเฉพาะเวลากระทบอารมณ์อาจมีนนยกนิ้วให้บากมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมหรือเวลากระทบอารมณ์แล้วพับมันดูจิตได้จิตปล่อยเลยวางเลยดับอย่างเลยเลยยิ่งดีไม่เอาเข้ามันเลยมัทิ้งไปเฉยๆเลยวางเฉยเลยอัตโนมัติโอ้นี่สแสดงว่ามีคุนมารมแล้วเนี่ยมีพุ่งจิตแล้วมันปล่อยวางอารมณ์ได้ มารักษาจิตอย่างเดียวเลยทุกน้อยลงไปแล้วประเภทนี้เนี่ยธรรมะกองพระพุทเป็นอย่างเงี้ยให้ทุกมันน้อยลงไปอันที่สามโภชเนมตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรวมทั้งใช้สอยสิ่งต่างต่าอนี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเฉยเฉยว่าอาหารเนี่ยมันเป็นมันเด่นอะเพราะเวลาเราเห็นอาหารปั๊บเนี่ยใจมันดิ้นหลนมันก็หมายถึงอย่างอื่นด้วยเช่นเราบอกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กำลังกินข้าว คำว่ากินข้าวในเรื่องนี้ไม่ได้ข้าวอย่างเดียวมันต้มีกับมีน้ําพริกมีผักมีของหวานมีผลไม้อะไรว่าไปแต่ไม่จำเป็นต้องไปบอกจะรันไนออกมาทั้งหมดแค่ว่ารับประทานอาหารหรือกินข้าวมันก็รวมหมดละอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆด้วยเสื้อผ้าแพรพันธ์ยุกยารักษาโรคที่อยู่ที่อาศัย เรามีสติปัญญาในการใช้สอยสิ่งเหล่านี้ไหมมันก็เท่าที่เราหาได้มันพอดีสำหรับเรามันจะอำนวยความสะดวกขนาดไหนวันนี้ก็เกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับสติปัญญาบุญเก่าที่เราทำมามีสติปัญญาในการบริหารจัดการเอาทรัพย์เอาอะไรที่มีอยู่มาทำให้ตัวเองคร อ, อบครัวมีความสุขก็ขไม่ได้เสียหายอะไรแต่ให้เรารู้ไม่ยึดติดข้อง เนื้อรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารและใช้สอยสิ่งต่างๆมันจะเห็นว่าพระพุทธสอนให้มีสติสัมมวมอยู่ตลอดเลยอันที่สี่ชาริยานุโยคะชาคิยานุโยคมีความเพียนเพื่อให้จิตตื่นเพียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้จิตตื่นคือเพียนเนี่ยมันจะทําให้สติมันมีกําลังสติมีกําลังแล้วมันจะทําให้จิตตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วมันก็จะคุมจิตเอาไว้ แล้วสติมันทําให้จิตรู้อารมณ์ด้วยอะไรเกิดขึ้นปั๊สติมันทําให้จิตรู้อารมณ์ได้ถ้าเป็นพระในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยโบกสอนมากลับจากบินธบาตแล้วฉันพัฒนหารเรียบร้อยแล้วให้เดินจงกรมหลังพัฒนหารเนี่ยรู้สึกพระเจ้าเน้นเรื่องเดินจงกรมซะก่อนมันอาจจะเกี่ยวกับอาหารการกินพอเราเดินมีรู้สึกว่ามันจะย่อยอาหารง่ายไม่งงไม่ซึมพอย่อยอาหารเสร็จแล้วค่อยนั่งสมาธิ ถ้ไปนั่งเลยลบางทีกําลังแย่อาหารอยู่เลือดไปข้างในกระเพาะมันก็มุ่งก็ซึมได้พระพุทธเจ้าพูดถึงหลังพตรตทหารเดินจงกรมนั่งภาวนาแต่ว่าพูะก็พูดถึงตอนปฐมมัยยามปฐมยามคือตั้งแต่หัวค่ําไปถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาเอาไว้พระวีลายเยอะเนี่ยมัดจิมยามสี่ทุ่มไปถึงตีสองในพักผ่อนตีสองถึงสว่าง ปัดจิมยามเดินลุกขึ้นเดินโยกอมนั่งภาวนาะเสจแล้วก็ออกบินธบาทกลับมากระชันพระทหารเดินอยู่กอมนั่งนะภาวนาภารกิจของพระเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเพื่อจะให้รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับจิตใจเพื่อดับทุกข์ภายในจิตใจของตัวเองแล้วก็เพื่อจะช่วยเหลือชาวโลกช่วยเหลือชาวโลกก็คือว่าอย่างน้อยก็เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยที่สําคัญหลวง่อจะเน้นเรื่องเป็นเนื้อนาบุญเขาทําบุญเล็กน้อย ก็ได้บุญมากๆประมาณไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นการเกื้อกูลแกมหาชนถ้าใครสนใจก็ถ้าพอแนะนาได้ก็แนะนำให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแต่ที่เน้นก็คือว่าให้ตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมเพื่อเป็นเนื้อนาบุญบุญที่ยากโยงเข้าถวายเข้าวอาปลาอาหารอะไรเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่ที่อาศัยมันจะได้มีบุญมากมีอานิสงมาก ผลก็มากอนิสงฆ์มากประมาณไม่ได้แต่เขาสภาเรื่นใสนี่ก็ประมาณไม่ได้นี่พระ อ, องค์เน้นตรงนี้แต่ถ้าใครมีคุณสมบัติพอที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็อบรมสั่งสอนไปจากนั้นพระยาก็สอนอีกข้อที่ห้าให้มีสติสัมปชัญญะมีบทใหญ่ีบทเล็กๆน้อยน้อยหมดเลยทําอะไรมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตลอด ที่หัวเาพูดถึงสติหมดเลยแต่สมาธิก็อยู่ในนั้นแหละแต่ว่าเน้นตัวสติให้จิตตืน่นให้รู้ตัวอะไรยกิให้รู้ไม่ได้สอนให้ไปแช่อยู่ไปนิ่งอยู่แต่ใหม่ๆอาจจะเป็นได้เพราะว่ามันปัสติยังไม่มีกําลังในก็แช่บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาพัฒนาจิตให้มันรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้รู้แล้วก็จิตก็เป็นกลางด้วยไม่ยินดีไม่ยินไล เพราะในคำสอนคุณาจริงบอกว่าให้มีความเพียรมีส้ำปฏิบญญัตมีสติกำจัดความยินดียินไลน์เน้นลงมีเสียได้ถ้าใครจำตรงนี้ได้และทำตามเนี่ยอะไรจะเปิดก็เกิดเลยเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรักษาจิตเว้มันยินดีไม่ยินร้ายมันก็จะปล่อยวางได้มันก็จะรับได้ทุกสถานการณ์เลยแต่จิตมันก็เลวอีกอ่ะมีคนหนึ่งเขาภาว น, นาไปภาว น, นาไป ดี่พูดนก็คือสดสดมันร้อนนี่แหะตอนเนี้ยข้าบรนษาเนี่ยคนก็ไปเยอะเหมือนกันเขาบอกไปจิตมันเหมือนนิ่งเหมือนไม่หายใจเลยว่ะตกใจอีกไงเราไม่หายใจแล้วตายเนี่ยยังไงดีอะไม่หายใจแล้วก็เลยบอกเขาบอกว่าเอ้ามันไม่หายใจเนี่ยมันเติมมือได้หรอกคนเรามันอาจจะหายใจทางขุมขนทางผิวหนังมันมีทางออกของมันอยู่ เพราะไม่หายใจทางจมูกแต่ว่าล ม, มหายใจมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเหมือนนิ่งไปเลยเขาว่าถ้าเขาพักอยู่ในนั้นยิ่งดียิ่งสบายเลยยิ่งรู้ตัวทุกอย่างอย่างนี้พลังเต็มที่เลยเหมือนไม่หายใจถ้าเขารู้ทีบอกว่าเอาต่อไปต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นยังไงกระจังมันจะได้รู้บางทีเขาจะเอาทำมาให้ด้วยให้ปล่อยวางไยให้ไปยวางกายปยวางกันห้ามเราก็ไปยึดซะ กลัวตายขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเนี่นร่างกายเป็นเหล่าแล้วข้างบนขึ้นมาแล้วกลัวขึ้นมาแล้ววันไหวขึ้นมาแล้วลดปฏิบัติต่อไม่ได้ถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้สักถามแก้ไขเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อได้อันที่หกทีนี้พระเจ้าพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วทีนี้ขาวนี้พอจเจริญสติเต็มที่แล้วพูดสติสติสติมาตลอดขาวนี้พูดถึงสมาธิ นั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าต้องละมิวรห้าให้ได้เนี่ยสุดท้ายต้องข้ามมิวรห้าให้ได้เมื่อข้ามมิวรห้าได้แล้วจิตตั้งมัน่นเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเลยผมไม่ได้พูดถึงชาญเรื่องอะไรเลยเอาตรงที่ว่ามันจะผ่านอะไรมาก็ตามขอยมันตั้งมั่นขายนิจจิตก็รู้ความจริงได้ว่าอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปก็คือเห็นความเกิดดับ เห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นเองจิตก็ดูเฉยเห็นความเกิดดับจิตก็เฉยเป็นกลางอยู่ไม่ไปยึดไปถือเห็นใบเข้าใบเข้ามันก็สรุปลงสู่อนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพแต่มีสภาวะรองรับดูนะปรากฏการทั้งหลายสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามันแยกออกจากจิตเลยจิตดูเฉยเฉยเลยนี่คือมันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละเมือตัวจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติดันหนึ่งเป็นธาตุรู้อันหนึ่ง ก็เลยีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ขึ้นมานั่นก็คืออาศัยการปฏิบัติพัฒนาจิตตั้งแต่สมาสติเบื้องต้นเลยมาที่ผู้นี้ไม่ใช่วันเดียวนะปฏิบัติอาจจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนหลายเดือนหรือเป็นปีสอง ป, สองปีสามปีแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนมันพอดีอยังไงเราตั้งใจปฏิบัติไปปฏิบัติไปเยี่ยมก็จิต ก, ก็เป็นกลางขึ้นมา เป็นกลางแอะไรเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราไม่ใช่เราจิตก็คลายออกเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นวิปัสนาแล้วทีนี้เห็นเกิดดับเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่เราบ่อยเข้ามากขึ้นมากขึ้นจิตก็เริ่มสรุปแล้วทีนี้เรียก ว, ว่าอริยมรรครวมเป็นหนึ่งปัดเสินเลยว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือเห็นเวื่องศัตรีเห็นว่องศัตีปั๊บจิตก็รวมเป็นหนึ่ง อาลัยมักรวมเป็นหนึ่งปะหารกิเลสบาลุมักโสดาปติมักปั๊บละสักยะที่ที่ได้จะดูอะไรอยู่ก็ตามก็เห็นมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเด็ดขาดความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราก็ขาดออกไปจิตมันสรุปปั๊บมันก็รวมเข้าไปมันจะสงบลึกซึ้งเข้าไปเห็นธรรนิพานหน่วงอริพานเป็นอารมณ์พราอพรโซดาบานเน่เริ่มเห็นละเริ่มเห็นสองด้านด้านหนึ่งโลกแห่งการปรุงแต่ง ที่ผ่านมามีแต่ความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างหรือปรุงแต่งวิ่งตามความคิดนึกปรุงแต่งพอพับเห็นปฏิพานหยุดปรุงแต่งหัวเรื่อก็คายออกทันทีถูกก็น้อยลงไปทันทีเลยพอจริงๆไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรระดับหนึ่งเห็นว่าชุดเยี่ยงมันเกิดขึ้นเพราะจิตเราไปปรุงแต่งไปสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพราะจิตไม่รู้ความจริงพอรู้ความจริงแล้วมันคายออกพอคายออกพุทธประสาน บ, บันบางเรื่อง ท่านแตะวางได้มีพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าตอนแรกท่านก็สู้เวทนานั่งขัดสมาธิเพชรบนก้อนหินส่้ไปหลายคืนสูไปเรื่อยเรื่อยเรือยนานเก้านานมีวันหนึ่งท่านว่าตว่าสู้เป็นที่เลยนั่งไปดึกดึกไม่รู้อยู่ท่าไหนหรอเลตกลงกก้อนหิน่งมอยู่ก้อนหินก้อนหนึ่งังนั่งอีกสู้ต่อหรือเปา เราอารมณ์มันก็เลยขาดออกไปทันมาท่านไม่เคยเห็นท่านเห็นแล้วเบาเลยทันมาท่านก็มาหาคุยไปคุยมาท่านมาจอที่ตรงนี้เล่าตรงนี้อะให้ฟังก็เลยบอกท่านว่านี่แหละเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันแล้วจิตของท่านเป็นยังไงถามอือหลังจากนั้นมาบางเรื่องคนอื่นเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่จิตของผมมันไม่เป็นทุกข์เขาว่าเน่ก็คือเบาลงละความทุกข์น้อยลงไปละมันต้องอาศัายการปฏิบัติ บนโยมที่เขานั่งเสร็จแล้วไอ้นี่ว่าฟ้าผ่าไม่รู้เรื่องพออธิบายอะไรต่ออะไรให้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจขึ้นมาแต่ก่อนเครียดไม่รู้ทางไปสับสนไปหมดไม่รู้แกตะเวนตร็ไหนแต่ไหยไม่เคยมีใครพูดให้เข้าใจเลยเขาพูดเองนะเขาพูดอย่างนี้เลยคราวนี้เขาเข้าใจแล้วเหลือแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเขาบอกก่อนจะมานี่เขาก็มาหาเขาก็ลอยฟังว่าเขานั่งสมาธิ ขณะฟีฟังทำไปจิตของเขาเนี่เหมือนออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูกายดูเห็นพวกคนมันกําลังงอกงาะขึ้นมาก็ดูดูของเขาถูกทางไหมเขาเขาสงสัยของเขาได้ดูแบบนี้ก็ได้คือจิตของเขามีคุณสมบัติแบบนี้มันสามารถเห็นกายเหมือนจิตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็มองดูร่างกายเนี่ยอันนี้เป็นจิตเป็นกรณีของเขาอีกคนหนึ่งเขามาด้วยกัน คนนี้จิตเข้าไปข้างในจิตเข้าไปข้างในแล้วก็ตามดูกายอยู่ข้างในเขาถามมาถูกต้องไม่ถูกทางไหมอ้าถูกเหมือนกันก็เลยตามดูกายตามดูเวทนาตามหยุดจิตตามดูธรรมเพื่อเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกหมดมันก็มีหลายระดับบางคนก็ไปอาศัยปา่าฝึกจิตตัวเองบางคนก็ไม่กล้าไม่กล้าก็ลเลลังเลลังเลอยู่ตื่นเช้ามาเพื่อนเขาป เขาไปลองทีนี่เขาตื่นเต้นอันนั้นอันนี้ทําอย่างนั้นทำนี้ตัวก็อยากลองบัางแต่ว่ากลัวทีนี่ปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้เออก็เลยบอกเอาไปใกล้ๆก่อนไปไปดูก่อนกลางวันไปดูมีอะไรบ้างกลางวันมันไม่มีอะไรหรอกกุต้นไม้อยู่ตรงไหนลมพัดมาเสียงยังไงมีเสียงดังก๊อกก๊กแก๊กไหมทําไมกลางคืนมันยังกลัว เราศึกษาจิตของตัวเองดูบางคนก็ตื่นเต้นสนุกเนี่ยหมดเวลาซะก่อนตั้งใจเอาเดี๋ยวไปทดสอบใหม่ก็มีอ่ะคือถ้าว่าเรามีความตั้งใจจะฝึกจิตเรานั้นถูกต้องแล้วช่องทางไหนทำให้จิดตื่นปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เห็นมันกิดดับบ่อยมันก็จะเข้าสู่วัฏฏิลักษ์เห็นมาเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาส่วนใหญ่มันจะสองอย่างที่มันชัดก่อนคือเห็นอ น, นิจจังแล้วก็ลงสู่วัฏฏิลักษ์เห็นลงสู่อนัตตาก็มีบ้างที่มันเป็นทุกข์แล้วก็ทนอยู่ได้ยากอืมเช่นเจ็บปวดโรคภัยไ ข, ไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มีโยมคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายทอ ไปถึงคนมันเยอะเขาถามว่ากุดไหนว่างบ้างพระก็ชี้ไปอยู่มันมีกุดไกลๆหน่อยอะเขาลิวธ า, าดินไกลๆหน่อยเขาขอไปอยู่เข้าไปไปกลางวันเขาก็ไปดูก่อนนะใช้ดูหมดทุกอย่างกลางคืนก็รู้กลัวเหมือนกันแกว่ากลัวก็พยายามดูจิตเดินจงกรมก็ปรุงนู่นปรุงนี่นเอก็สู้กันความกลัวก็ไปจากจิตนี่แหละจิตนี่แหละมันสร้างขึ้นมาความกลัว เหมือนจะมาจากไหนอ่ะกลางวันไม่เหยื่มันกลัวอะไรสิ่งแวดล้อมเดียวกันกลงวันไม่กลัวเพราะมันงคืนมืดๆไหนกลัวแต่ว่าเขาก้าเดินบางทีมันก็อยากมีเสียงดังมามันอยากฉายไปดูไม่ดูคุมไว้หมดบังคับไว้ขับจิตไว้ไม่เดี๋ยวมันไม่หาเครื่องชื่ออะไรเลยรูปเหรียญเหรินอะไรทั้งหมดไม่เอาเข้าไปคือพ่งจิตอย่างเดียวเลยคนเนี้ย เ, ออเก่งกันมันแหลกอุส่าห์ตีดีใช่าะ วันที่สองไปอดูสติดีติดใจสามเขาไปอีกทีนี้คืนที่สี่เขาเดินไปสุดทางแล้วทางนั้นมันมีถอนไม้ที่จริงเขาก็ดูระบายระห ล, ะละับกลางวันทีนี้ถอนไม้มันมีเห็ดเขาไม่ได้เห็นเห็ดแบบกลางวันน่ะพราะใช้ไฟพับไอ้แสงไฟไปกระทบเห็ดสีขาววับโอ้โหเขาความภูมพลุกจากจิตปั๊บไป แต่เขาสระวังอยู่อ่ะพืงตั๊บมันดึงตั๊บกลับมาเลยโอ้ยเป็นจิจิตเรงเพว่าเออนี่เขามาเล่านเนี่ยเล่าตืนเต้นตื่นต้นมากทั้งเล่าทั้งออกท่าออกทางด้วยเออพระก็ฟังเลยเก็เล่าพระใหม่ใหม่ก็มีตั้งใจฟังเราก็เล่าภาษาอีสานมันเราก็ยืนให้เขาเล่าถามไปเรื่อยเขาก็เล่าของเขาจิตต้นมีกําลังมากก็เลยระวังจิตอย่างเดียวที่นี้พอเห็นแล้วมันออกไปจากจิตอย่างเดียว ไม่ได้พยายามนั้นจะมาจากที่อื่นเลยไม่ใช่คนนั้นเอามายัดใส่คุณนี่เอามาใส่ไม่ใช่จิตสร้างนี่แม่เห็นไหมมันเป็นจิตคุมจิตอย่างเดียวเลยนี่อะไรเกิดขึ้นรู้รู้ก็เห็นจิต ด, ด้วยเห็นตัวดูด้วยเห็นตัวที่มันเกิดขึ้นด้วยทิ้งตื่นเช้ามาจะเดินไปปักอาหารแล้วนี่ขณะที่เดินมันมายังจ่อกันอยู่ตามดูกันอยู่เดินไปเดินไปก็ดูกาโง่ใดินน้ำลมไฟ หมายุดไปไหนจอเข้าไปจอเข้าไปเออเขาบอกว่าพอดูไปร่างกายสลายเพิ่บร่างกลายเป็นบินหมดเลยหยุดจึด๊กร่กาเป็นดินหมดอุย้ยร่างกายกลายบินหมดแล้วไม่มีไม่ ม, ม, มีดับหมดเลยมีความรู้สึกของเขาตอนนั้นก็ล่ะเออแต่จิตเรานี่มันยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็ต้องเวียนว่ายไปเกิดต่อไปสิโอ้แม่งปฏิบัติตจิต ต, ต, จต้องปฏิบวติจิตเนี่ยเขาก็อุทานออกมาแล้วเขาก็มา ไปเล่าให้ภริยาฟังภริยาก็ตั้งใจปฏิบัติเหมือนกันภริยาบอกไปไปไ ป, ไปเล่าให้จำฟังสิไปเล่าให้หลวงพ่อฟังสิโอ้ยไม่รไม่จำเป็นต้องเล่าก็ได้กล่าเขาเข้าใจแล้วเขาว่าเขาเขา้เข า, เขาใจเองแล้วเหมือนกับว่ามันก็นี่แหละปฏิบัติไปแบบนี้ละก็คือเหลือจิตในร่างกายมันสลายไปแล้วที่จริงมันก็ยังมีกายละเอียดอยู่เดี๋ยววันตอนที่เขาเห็นมันเห็นชัดเจนเขาจึงรู้ทิศมันก็สรุปลงไปบนร่างกายไม่ใช่ของเรา มันคือธาตุดินน้ำลมไฟกลายเป็นดินไปเมื่อคนปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีมันเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานบอกให้รู้ว่าคนนี้ฮะเขาเห็นความจริงของเขามีความลึกซึ้งขนาดไหนแล้วเขาก็ปล่อยวางความทุกข์ได้ทุกเรื่องเรื่อยที่เคยทุกหรือคนอื่นเป็นทุกเขาไม่ทุกก็ได้เพราะว่าภูมิธรรมของเขามันสูงขึ้นมาหรือว่าพวกเราก็เหมือนกันน่ะเนี่ย คนที่ปฏิบัติแล้วภูมิจิตภูมิธรรมมันเกิดขึ้นก็ต้องละได้เหมือนกันก็ต้องเห็นเหมือนกันใกลเคียงกันอาจจะแตกต่างกันในลักษณะของการเห็นในรายละเอียดแต่ว่าจิตเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยมาตรฐานของจิตเนี่ยมันจะเท่ากันทุกเท่ากันเหมือนว่าทุกมันจะน้อยลงขาดออกไปเท่ากันมันประหารได้ก็อย่างน้อยก็เห็นละสักยะทีทีได้คือแต่เห็นกายว่าไม่ใช่ของเราเหมันกับ รวมเข้าไปเห็นจิตไม่ใช่ของเราด้วยเห็นเวทนาม่ใช่ของเราด้วยมันทั่วถึงกันนะ่ะเห็นธรรมม่ใช่ของเราอยีกละสักยะที่ความเห็นผิดว่าขัน่าเป็นเรามันขาดออกไปแล้วบางคนก็อาจจะเคยแล้วหรือสูงกว่นี้แล้วบางคนก็ละกายละเวทนาได้หมดจบละลูกสิษย์กิเลสสัมปชัญญวมันก็มีหลายระดับเหมือนกันที่ไปวัดก็เหมือนกันคือเขาก็มาเล่าให้ฟังแต่ละคนแต่ละคนเนี่ย มันก็มีหลายๆบางคนก็ใหม่กำลังสู้อยู่บางคนก็เออเริ่มมีระดับขึ้นมาแล้วบางคนก็เป็นลําดับสูงขึ้นไปเรื่ยจนกระทั่งมันละกายละเวทนาละรูปเสียงคิอรสสัมผัสอันนี้ก็คือด้วยแต่จิตแล้วอารมณ์หยาบหยานไปหมดแล้วเนี่ยก็เหลือแต่ทําทํายังไงมันทิ้งจะไม่มีตัวเรามันก็มีคนปฏิบัติเนี่ยมันก็มีผลของการปฏิบัติเกิดขึ้น เราก็เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัติเท้ตรงทางของพระพุทธเจ้าผลการปฏิบัติก็ต้องเกิดขึ้นแต่เราสักการะที่ทีได้ยี่นี้มันกระจัดไม่สงสัยในคุณพระเจ้าพระธรรมส่์นะมันจะเกิดขึ้นพอตัวเองเห็นแล้วโอ้ทำมาของเจ้าเนี่ยเป็นความจริงเไงแล้วละสีละพัตตปลามาดได้สีละพัตตปลามาดสีก็คือสีนี่แหละ ถ้ามันสมัยต่อหน่ะศีลักตณะปลามาทคนนอกศาสนามันจะมีเยอะสมัยพระพุทธเจ้ามีพวกที่คิดว่าถ้าทําตัวเหมือนสุนักอ่ะคือไม่เอาอะไรอย่างเงี้กินอ่างเหมือนสุนักเลยอ่ะนอนก็นอนแบบสุนักอ่ะคือพอสันเก็บพฤติกรรมของสุนักอ่ะก่อนมันจะนอนจะวนวนวนมันจะเกาตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทําตามมันหมดอ่ะมันจะกินก็ต้องอาหารก็อยู่กับพุ้นเนี่ยเลียกินอะไรอย่างเงี้ยมีคนนึงก็ ทำทำแบบสุนัขมีคนหนึ่งมาทำแบบโคออยู่แบบโคกินแบบโคเดินสีข่ขาเลยพวกเนี้ยคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะพ้นทุก์อันนี้ก็เรียกว่าสีรับตะปลามาตอันนี้นอกศาสนานี่พวกสองคนนี้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าไอ้โคมันก็ถามไอ้สุนัขนี่ว่าถามพระเจ้าวันนี้เนี่ยไอ้คนเนี้ปฏิบัติแบบสุนัขอะมันเขาตายไปแล้วเนี่ย เขาจะได้ไปสวรรค์ไหมพอเขาทรมานตนเขาเข่งคัดทําเหมือนสุนัขพระเจ้าก็ถ้าเขาเชื่อเด็ดขาดว่าเขาจะบรรลุมรรคผลหรือตายแล้วเขาไปสวรรค์นเนี่ยลงมาลกสถานเดียวแต่กาเชื่อตามๆเข้าไป้คนนี้เกิดเป็นสุนัขไอ้คนสุนัข ก, ก็ถามไอ้คนที่เป็นทำแบบโคบ้างพระเจ้าก็ตอบเหมือนกันเนี่ยร้องให้ทั้งคู่สุดท้ายก็มาบวชปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระหลานกําลังแสวงหาทางออก แล้วในพุทธศาสนาศีลกับปรปามาเป็นยังไงศีลาก็คือศีลถือศีลกับข้อปฏิบัติปฏิ บ, บ, บัติแบบผิดอ่ะแบบผิดจากความหมายดั้งเดิมบางคนก็คิดว่าศีลอย่างเดียวพ้นทุกสมาธิอย่างเดียวพ้นทุกปัญญาอย่างเดียวพ้นทุกไม่ถูกพระเจ้าเราต้อง3าอย่างศีลสมาธิปัญญาหรือบางคนก็ศีลเพื่อที่จะไปสวรรค์ให้คนยกย่องสเสริญแบไม่เป็นบาตฐานของวิปัสสนาผิดไปจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิม ลาปลามาสะปลามาต์เนี่ยมันผิดไปจากความหมายดั้งเดิมวตัตถุประสงค์ดั้งเดิมศีลก็ต้องเป็นบาดฐานของสมาธิและปัญญานี่ศีลเพื่อไปสวรรค์ศีลเพว่ให้คนยกย่องสรเสริญศีลพวกให้ดูดีไปข่มคนอื่นเมื่อมันก็เลยผิดไปจากวตัตถุประสงค์ดั้งเดิมเขาเรียกว่าศีละละปฏิปรามาต์ผลในศาสนานี่ก็มีศีลละปฏิปลามาตคือถือศีลผิด ความหมายดั้งเดิมมันเพื่อเป็นบาตฐานของวิปัสสนาเพื่อออกจากทุกตัวเองก็ไปถือเพื่อที่ให้ดูดีเพื่อให้ไปสวรรค์เนี่ยผิดลดข้อปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาก็อนให้ดูดีให้คน ย, ย่อกย่ำเส้นเนีน่ยมันก็ไปทางหมดอะ่ะเพรา ะ, ะนั้นเต้าไม้นี่ต้องให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเห็นว่าไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวไม่มีตนอา้าต่อไปจะให้ชั้รวมจิตใจนะให้ปฏิบัติเอง เราก็รู้ทางของโมเเจ้าแล้วเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวทําจิตให้ตื่นแล้วก็มาดูว่าจิตเรากําลังดูอะไรจิตกำลังทําอะไรกําลังดูอะไรจิตอยู่ยังไงกําลังดูอะไรกําลังทําอะไรทุกคนก็ดูหาคําตอบให้แกตัวเอง ดูก็ดูเพื่อ้มันปล่อยวางถ้ามันไม่ปล่อยก็เอาโมลณะสติใส่เข้าไปนี่เดี๋ยวก็ตายแล้วชีวิตมันก็เหลืออีกไม่นานเนี่ยร่างกายมันก็แก่ลงไปแก่ลงไปสุดท้ายมันต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้วางมันซะตั้งแต่ต้นมีได้ใช้สอยมันไปยังมีชีวิตอยู่ตายลงไปแล้วต้องทิ้งมันเอาไว้ อย่าให้จิตเราไปยึดไปติดไปคองมันอย่าทำความเข้าใจเรื่องชีวิตมองดูมีอะไรเป็นเราบ้างเวทนามันก็อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เราของตายมันต้องตายเมื่อร่างกายตายเวทนานจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเวทนาทางกายปล่อยมันไปวางมันเลยเจ็บก็เจ็บไปใจเราแข็งแกร่งขึ้นมา ปล่อยวางดูเฉยๆยลงสู่อนัตตาเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตเราวางได้ปล่อยได้นี่ก็เป็นธรรมะขึ้นมาจิตจิตยิงสบายเป็นนามธรรมความคิดเกิดแล้วก็ดับเราอย่าไปยึดติดข้องมันก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นความโกรธความน้อยเนื้อต่าใจความซึมเศร้าเงาง้อย ลิมิแต่ความอยากความต้องการเกินแล้วก็ดับเราอย่าไปทำตามมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแต่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องจะลบกวนจิตเี่ยมัก็ทำความเข้าใจปล่อยวางกายเวทนาจิตอะไรมันเกิดกับจิตกเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหมดอะ่ะยึดถืออะไรไม่ได้เลยวางหมดที่นี่เนีย่ยาลงสู่ธรรมะไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันวางหมดแล้ว วางแล้วก็จบจบเป็นเรื่องๆจนมันสรุปมันตัดสินลงตาเนี่ก็บรรลุมากผลนิพพานได้เนี่ยทางของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็เป็นทางของพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเพียรกันอะบางคนก็โอ ย, ก อ, อยากเอายากถ้าไม่เพียร่ราจะได้เหรอ ถ้าใครรู้สึกว่ามันมีอะไรค้างคาอยู่ในใจขอหัวสีก ร, รมก็ได้นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมันโล่งมันเบาหมดแล้วมันก็ไม่จำเป็นอะไรอะ่ะขอหัวศีก ร, รมก็คือเพื่อให้จิตของเรามันสบายใจว่าเราได้มีจิตสำนึกทำเพื่อจิตตัวเองอะ่ะทำเพื่อจิตตัวเองทำยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นมาทำไปวางอารมณ์ทั้งหลายที่มันค้างคาอยู่ในจิต อยนันฝึกแป่เมตตาฝึกจิตให้มันอ่อนโยนนุ่มนวลคนแก่การงานเพราะฉะนั้นฝึกแป่เมตตานี่โดยเฉพาะคนที่มีความโกรธบ่อยๆมีโทสะแรงๆมีจิตพยาบาทคิดเบียดเบียนบ่อยๆพวกนี้จะต้องฝึกเจริญเมตตาภาวนาไปบรรเทาความโกรธแล้วจิตเนี่ยมันก็จะสบายปณิธานก็ตั้งเองละที่นี่เพราะว่า เราก็รู้วิธีกันหมดแล้วรวมทั้งอุทิศบุญอะไรด้วยอุทิศบุญใครอยากอุทิศบุญให้ใครก็อุทิศบุญไปนะทําเองได้แล้วอาจจะฝึกเมตตาให้มันบ่อยหน่อยยุคสมัยนี้รู้สึกว่าโอ้คนขาดน้ําใจต่อกันมากความปรารถนาดีที่จะให้คนอื่นมีความสุขมันไม่มีมันน้อยลงไปเพวัะ น, นั้นเราต้องฝึกตัวเราให้มีเมตตา ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอันไรที่มันจะทำให้จิตเรามันดีขึ้นมาเราทำได้อะจงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีสวนได้สวยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทาบำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเทินพวกนี้ก็เอามาทาได้ฝึกจิตน้อมไปในทางที่จะมีเมตตาเป็นคุณสมบัติ ที่ดีงามแก่จิตของเราแล้วก็ทำให้เราภาวนาง่ายด้วย